เพราะพระที่จะมีจำนวนมากขนาดนี้มาปรากฏรวมกันด้วยความระอกพอใจใคร่ต่อหลักธรรมหลักวินัยคือศาสนาและชาติบ้านเมืองในวันนี้จึงเจ็ดจัดเป็นวันมหาหมงคลแกเราทั้งหลายและพร้อม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 มาโดยลำดับแล้วมาปรากฏคงท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายาทามท่านแสดงไว้ว่าสมนานันจะรัชนีการเห็นสมณนาคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้น เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี่ประการหนึง่งประการที่สองสมนานุตริยะคือการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจจากบากนั้นเป็นการเห็นอันสูงสุดนี่พี่น้องทั้งหลาย ที่ทั้งทางใกล้ทางไกลก็ได้อุตสาห์พยายามไล่มาพบพายเห็นแล้ววันนี้จำนวนพระเป็นพันพันหมืนม่นหมื่นเราก็ได้เห็นในวันนี้แล้ว <c oughs> นี่เป็นมงคลอันสูงสุดสําหรับท่านผู้เห็นสมณะกรมว่าสมณะนั้นท่านแสดงท่านแย่ อ, อเป็นสี่ประเภทด้วยกัน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 ไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงโลกลวงสงสารมักผลิพานกล่าวถึงแต่หาความจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในศาสดาของพวกเราทั้งหลายเป็นศาสดราองค์เอกทำอันเอกผู้ปฏิบัติธรรมตามศาสนาธรรมที่ศาสต์ไว้ชอบแล้วนั้นย่อมบรรลุมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมไปได้ตั้งแต่กัญยาณปุถุชน จนถึง อ, อริยบุคคลขั้นอรหัตตบุคคลเป็นขั้นสุดยอดแห่งธรรมม <c oughs> ีเป็นผลเี็บถึงได้จากพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนา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 เริ่มต้นตั้งแต่เราบวชบวชมามีศีลด้วยกันสมทานศีลจากอุปชัชฌาย์มาโดยเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วขณะพี่ลดประากาศตนเป็นผู้มีรับศีล ร, รับศีลมาเป็นลำดับนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติประจากายวาจาใจของเราตลอดมา จากนั้นก็ปฏิบัติทางร้านอาจด้านธทรรมให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดาสู่สถานที่ใดให้พึงเป็นผู้สังรวมระวังมีอิิโอตปะประจำใจสังรวมอยู่ด้วยธรรมด้วยวิไหนไปที่ใดมาที่ใดอย่าให้ขาดสติ ซึ่งเป็นเครื่องรับรู้ตนเองว่าเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างนับตั้งแต่กิริยาของจิตต่ อ, อไปที่คิดดีคิดชั่วประการใดให้มีสติระมัดระวังยับยั้งไว้เสมอในความคิดที่เป็นภัยต่อศีลต่อธรรมของตนการบาเพ็ญธรรมก็ให้บำเพ็ญด้วยความจงอกจงใจประหนึ่งว่า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 สังรวมระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยจะกกลายเป็นพระขาดบาดขาดตาเต็งไปศีลไม่ครบองค์ของศีลที่ประทานไว้แลอรับมาแล้วทํามามาทําให้ด่างพร้อยขาดทะลุศูนย์สิ้นไปหมดเหลือแต่โมขะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งร้ายกว่าประชาชนที่เขาไม่มีศีลมีธรรมซิ เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ระมัดระวังรักษาศีลซึ่งเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของเราแล้วสมาธิปัญญาก็พึงพากันเจริญทำตามรอยของศาสด า, า, าเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อศีลก็บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วหาความเดืดร้อนหรือเคลือบแคลงสงสัยในศีลของตน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 เป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรกญุนิพานด้วยจิตตะภาวนาคำว่าจิตตะภาวนาได้จาการอบรมสั่งสอนจิตใจตนเองผู้ภาวนาพึงมีบทธรรมเพื่อตั้งรากฐานเบื้องต้นอย่าปล่อยวางคำบรีกรรมนี่คือผู้ฝึกเบื้องตน้นตามธรรมดาของจิต ชอบคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสมาดั้งเดิมมักจะคิดอยู่เสมอจึงต้องระงับดับความคิดอันเป็นทางเดินของกิเลสนั้นเข้ามาด้วยบทคำบริกรรมภาวนาโดยมีสติเป็นเครื่องการรกับรักษาเข้มงวดขวดขันเวลาภาวนาอย่าให้เผลอไปที่ไหนจากคำบรีกรรม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 จากอารมณ์ที่ขอควรซึ่งเนื่องมาจากกิเลสทั้งนั้นให้สมุปตัวเข้าไปด้วยบทคำบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องระงับดับสิ่งบุ่นวายที่คิดปรุงอยู่เสมอจากกิเลสนั้นให้เมื่อคำบริกรรมของเราต่อเนื่องทำความคิดความปรุงในด้านธรรมะคือคำบริกรรม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 เราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจนี้เป็นมิถีตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าพากันทำสุ่มสี่สุห้า 04, นึกถึงบุรีกรรมนึกถึงภาวนาเมื่อไหร่ก็มีสติแยบหนึ่งแยบหนึ่งแล้วมานึกถึงคําบุรีกรรมคำใดก็เพียงคำสองคาหายไป นอกจากนั้นมีแต่กิเลสเอาความชิดความพึงไปถลุเสียดทั้งวันทั้งคืนแล้วผลอะไรได้ก็คือความทุกข์ความร้อนภายในใจหาหลักฐานมั่นคงภายในใจไม่ได้ทั้งๆที่ตัตนก็สำคัญว่าตนเป็นนักภาวนาแต่ความจริงนักภาวนามีเพียงอย่างมาก 5% เปอร์เซนต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 จิตใจ ส, สงบสงบไปเรื่อยจากนั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลงใจิตใจอิ่มอารมณ์คืออารมณ์ที่ใจิตใจหิวก็หายอยู่ตลอดเวลานั้นได้แก่หิวอยากดูอยากรู้อยากเห็น ทางลูกทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความหิหวโหยอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่คือความหิหวโหยของใจถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้จะหิหวโหยตลอดไปและสร้างผลคือความทุกข์ร้อนมาสู่อิตใจของเราไม่มีเวลาสงบเย็นใจได้เลยนี่คือจิตหิหวโหยอารมณ์ พอจิตมีความสงบเย็นแลวก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นลําดับจนกลายเป็นสมาธิที่แน่นหนาะมั่นคงเต็มที่แล้วอารมณ์เหล่านี้ไม่เข้ามากวนใจจิตไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่ที่เคยหิยวโหวยมาอยู่ด้วยความสงบเย็งใจเป็นเอกะกาตาจิตเอกะกาตาลมประจาใจของผู้มีสมาธิ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 ไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องก่อกวดแต่ก่อนเราหิวหยกับอารมณ์นั้นๆถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงไม่ได้ดิ้นรนกระวนกระวายอยากคิดอยากปรุงไม่แล้วไม่เลิกกันกทักทีสร้างแต่กองทุกข์มาให้ตัวเองทีงนี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายหมูนตัวอยู่กับ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 หลงได้ติดได้ถ้าไม่มีผู้มาแนะนำในทางปัญญาจะติดสมาธิโดยไม่อาจสงสัยเ <c oughs> พราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะให้นักบาเพ็ญทั้งหลายติดได้ไม่สงสัยเพราะเป็นรสชาติแห่งธรรมพิจต ก, กันกับรสชาติของโลกเป็นไหนๆเรื่องของโลกเป็นรสชาติของที่เหลือผลิตขึ้นมากินแล้วมีเบื่อหน่าย อันนี้อยากอันนั้นกินอันนั้นดื่มอันนั้นเบื่อหนายนั้นมาดื่มอันนี้เบื่อหนายคิดเรื่องนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาคิดเรื่องนี้มีเรื่องของอารมณ์ของเิเลถ้ารดก็เป็นอารมณ์ของเิเลมีความลื่นลึงจชั่วคู่ชั่วยามแล้วเอาไฟเข้ามาเผาในฉากหลังนั้นได้นี่คืออารมณ์ของเิเลแต่อารมณ์ของธรรม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 มันสะอาดสานมันสวยงามที่ตรงไหนที่ต้องไปติดแปรพันสำมันดีไม่ดียอมเล็บย้อมเล็กตัดเล็บยอมเล็บให้สวยงามมันจะสวยอะไรภาษาเล็บถ้าไม่เป็นบ้ า, าแล้วจะไปตกแต่งมาวนาดะาล้างให้มันพออยู่ได้ไปได้ทั้งเขาทั้งเหลา่าเทานั้นก็พอจำเป็นอะไรจะต้องมาตกแต่งมาทามาล้างมาประดับประดาภาษาเล็บ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 อย่างอื่นเขาบดเชี้ยวไม่ได้จึงให้ชื่อว่ากระดูกข้อมือกะดกูข้อเท้าว่าไปตามธรรมดาแต่กระดูกนี้เรียก ว, ว่ากระดูกฟันเอามาบดเชี้ยวอาหารมันก็คือกระดูกนั่นเองนี่ให้พิจรารณาที่กระดูกนี้มันสกรปรกหรือหรือมันสะอาดดูที่ตื่นขึ้นมาแล้วล้างปากล้างฟันล้างซะจนกระทั่งเลยเถิดเลยแดนมีอะไรมาเอามาเป็นความสะอาด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 พิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงสู่ความจริงความจริงก็คือว่าหนังก็สักแต่ว่าเครื่องหุ้มห่ออวัยวะที่สศกปลกโสมงน้เท่านั้นไม่ใช่หุ้ม หุ้มห่อห อ, หอปราสาทราชมนตจียนอะไรหุห้มห่อซากผีดิบไว้ให้พอดูได้ด้วยกันที่เป็นจัดเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันเท่านั้นจีมีหนังหุห้มห่อเอาไว้แล้วชาล้างถึงชาล้างขนาดนั้นหนังก็ไม่พ้นที่จะแสดงออกมาขี้เหงอขี้ใครซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของศกระบอกสมงม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 แต่ว่าเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอา้านพอคนเขาไปอยู่ที่ใดอืนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาคล้คาเคล้ากับผนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่มมาคล้คาเคล้ากับผลกลายเป็นของสปกปรกประจำตามกันหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจสะสอาดก็เพราะว่าร่างกายนี้หาความสะาดไม่ได้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 พิจารณาแล้วในเรื่องนี้ตรงกระทั่งถึงตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่ถึงส่วมถึงฐานในภูมิของเราดูแลว้วทบทวนหลายครั้งหลายหนดูเพ่งแรงด้วยสติด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหมตรงกระทั่งสติปัญญามีความค่องแค่แวแก้วกล้ า, าดูอวยาวะของตัวนั่นเองเหมือนที่แรกก็เหมือนกันกันกบเราฝึกขัดเขียนหนังสือ ทั้งเขียนทั้งลบละเกะลักะเขียนแล้วลบล่าเพราะเขียนไม่ชำนานมันก็ไม่ถูกตัวและเลอะเทอะที่นี่เวลาฝึกหัดเขียนไปไหลายครั้งหลายโหนมันก็ค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอ่านก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเวลามีความชำนานในการฉีดเขียนแล้วผมมองดูพับตอนนี้มันก็รูปเขียน ก, ก็เขียนวัดไปเลยนะ เพาความจำนานของการเขียนอ่านก็แบบเดียวกันอ่านวัดไปเลยนี่คือความจำนานการพิจนาทางด้านปัญญาที่แรกก็ถูถ่ไปมาล้มลุกคุกขานเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างเป็นหินรับปัญญา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 แยกขันออกไปเป็นดินนา้าเป็นลมเป็นไฟแยกลงไปเป็นอนิจจงแปลสภาพทุกขังบีบบี้สีไฟตลอดเวลาอนัตตาหาความเป็นของสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทั้งทั้งที่โลกนีดถือกันตลอดมาเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นของไทยนี่ แยกออกเป็นอนิจจังทุกขังราตาละเพียนนาซ้ำซ้ำสากๆด้วยการดำเนินปัญญาทีนี้เมื่อเวลาพิจารณาปัญญามากเข้ามากเข้าจิตใจมีความเหนื่อหน่อยเมื่อล้าย้อนเข้ามาสู่สมาธิเสียย้อนติดเข้ามาสู่สมาธิบ้าเพนตางสมาธิคือจิตใจทำให้สงบพารงณอยู่ทางด้านปัญญาไม่ต้องคิดต้องผูกมุ่งหน้าต่อสมาธิ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 ในเรื่องจิตใจของเราจะมีความเบาบางเบาบางแผ่วๆขึ้นเป็นลําดับนะเพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดมันแต่ก่อนพอปัญญาเปิดออกเปิดออกปิด จ, จะมีความสว่างสวยัยเบาเนื้อเบากายด้วยไม่เชรียดแเบาใจน ะ, ะเบาเนื้อเบากายคือที่ปิดมายึดเรื่องกายมันก้นหนักทีนี้จิตใจค่อย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 ใครพิจารณาร่างกายนี้ช่ำทองทาลายผู้นั้นจะมีความแก้วกล้าสามารถคอยละกิเลสเป็นลำดับรงดาไปจิตใจจะแตกฉานท้งอัดทางทำไปด้วยนะการพิจารณากายกัตตาสตินี้เป็นการเบริกความรู้ให้กระจ่างแจ้งไปในทุกทิศทุกทางการพู่การจาก การโต้การตอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดออกด้วยกันด้วยกันเพราะอำนาจแห่งกาจกตาสตินี้สําคัญมากนะนี่การพิจารณาร่างกายนี้เมื่อถึงขั้น ม, มีความละเอียดเข้าไปทางด้านปัญญาคล่องแคล่วเข้าไปแล้วพิจารณานี้จะลวดเร็วมากทีเดียวมองเห็นสภาพทั้งเขาทั้งเรา จะรวดเร็วถ้าว่าเป็นอุภาพเพิ่เดียวเป็นอุภาพหมดทั้งหลางทั้งเขาทั้งเหล่านั้นพิจารณาซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเป็นที่พอใจแล้วจนกิตใจของเรามีความแน่นหนามัน่นคงเอาทดสอบดูการพิจารณาอสุภาพอาุภนนังนี้สิ่งเป็นพื้นฐานควรแต่การที่จะถอดถอนการ ม, มากักเกลืได้แล้วด้วยการพิจารณาร่างกายนี่ช่ำทองแล้วให้กําหนด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 อ า, อาตุปาอันนี้กําหนดขึ้นให้เป็นอาตุปาจะเป็นท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้ให้เป็นภาพอพาตุปาปรากฏอยู่ต่อหน้า ต, ต่อตาเราจิตใจเราเพ่งปัญญาต่อเข้าไปตรงนั้นแล้วแต่ไม่ให้ทำลายเอาทติ จ, จดจ่อไว้ไม่ภาพนี้มันเคลื่อนย้ายไปที่ไหนอา้าวมันจะไปตรงไหนมาที่ไหนถ้ามันยังไม่พ อ, อกําหนดดูอยู่มันจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหนอื ถ้าการพิจารณาอสุภาษุดังยังไม่พอปัญญายังไม่พอที่จะปล่อยวางมันได้กําหนดอสุภาษุดังให้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแลาวกำหนดนานเท่าไหร่มันก็อยู่ที่นั่น น, นานา น, น, น, า น, น, า น, นี่แสดงว่ายังไม่พอกับความต้องการเอาที่นี่ขยายออกอยู่พิจารณาอย่างเก่านั่นแหละให้มีความจำเนื้จจำนานเข้าไปเอามาตั้งอีกนี่เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความจากักความจริงตักสินตนเอง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 หัวใจของตนนั่นแหละนี่เราให้พิจารณาถึงอสุภะอสุภังนี่ให้เต็มที่กําหนดหตั้งอย่ังไงเอาตั้งกําหนดให้ทําลายเมื่อใดเอาให้ทําลายให้รวดเร็วเท่าไรก็ลวดเร็วนี่เมื่อมันทํานานอย่างแล้วแล้วกําหนดมาตั้งไว้ที่หน้าของเหล่านี่ยนะเอาทีนี้เอาความจริงจะดูความเคลื่อนไหวของอสุภานี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหน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 ตั้งไว้นั้นแหะเอ้ามันจะไปไหนให้อยู่ในปัจจุบันของนี้แหละมันจะไปไหนนี่แหละเราจะไม่บอกในระยะจากนั้นไปให้เป็นเครื่องตัดสินของท่านผู้บําเพ็ญธรรมะข่านนี้เองนี่เนื้อจากนั้นแล้วนะทับผ่านครั้นนี้เข้าไปแล้วมันบอกเองเรื่องการมมาเกลีก่เรื่องตัดสินมันจะบอกเองในตัวเองนี่จุดนี้เป็นจุดที่จะตัดสินการมมาราคะตัดสินได้ โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยถึงขั้นอรุปร้าดูฟังมีความทำนี้ชํานาญแล้วตั้งไว้อย่างนี้ดูอย่างนี้เอาถ้าว่าให้มันอยู่กับที่มันก็อยู่กับที่และไม่เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็แสดงว่ายัางไม่พอเอาพิจารณาอีกเอาพิจารณาแตกกระจ า, จาจยทําลายไปอีกตั้งหืใหมา่แล้วมาทดสอบดูอีกนะเอาตัวมาทั่งมันอยู่นิ่งมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วที่นี่มันจะไปไหนไปหา ความตักถิ่นตนเองว่าใครเป็นคนหลงแน่อะไรเอาชูภาพ ห, หลงหรือกิจใจเราหลงมันจะตักถิ่นขึ้นมาในที่นั่นเองนี่เป็นจุดสาคัญเราจึงไม่บอกจุดนี้บอกแต่ต้นเหตุเปิดประตูให้ให้ให้เข้าเองนะเปิดประตูด้วยใสก็ไปด้วยมันเกินไปหลับครอบท่ อ, อ, อตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในห้องก็ได้นี่นะเพราะงั้นจึงไม่บอกถ้าบอกมันจะฆ่าจะหมายไปก่อนเสียแล้วก็เป็นความสําคัญขึ้ น, นมา ไม่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินตัวเองปัจจัดเรียบชันทิฏฐิโกหรือปัจจัตังใบในธรรมขันนี้ประจักษแล้วทีนี้เมื่อมันประจักษแล้วจะหายสงสัยเองละเรื่องกิเลสตัวนี้เป็นมาจากอะไรจากนั้นก็พยายามตั้งภาพอันนั้นแหละที่เคยเราพิจารณาเป็นมาตลอดนั้นตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นไว้อย่างเก่านั้นแหละแล้วมันจะหมุนตัวก็ามาหมุนตัวเข้ามา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 ในข่านนี้ให้จนได้นี้แหละที่นี่พอได้ที่แล้วก็ฝึกซ้อมเรื่อยจิตใจจะละเอียดเข้าไปเรื่อยในภาพเหล่านี้ก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่แหละ <c oughs> พระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิอดอีคือการมืิอกเลนี่เป็นตัวสําคัญมีแต่ดึงลงดึงลงท่าเดียวหมุนลงท่าเดียวให้สัตว์ตั้งหลๆได้รับความทุ้มความละมานเพราะกดพ่อถ่วงบีบบีบสีไฝอย่างลึกลับ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 ถ้านาคามีนั้นเมื่อบรรลุถึงท่านอนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาก่ออีกคือจิตดวงนี้จะไม่ถูกกดท่วงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่มีการมาราคะผูกพันอยู่พอการมาราคะสู้หลักใหญ่ของการมาราคะขาดตรงไปแล้วเรียกว่าสอบได้แล้วห้าสบเปอร์เซ็ นี่นี่หมายถึงฐานะของเราผู้เป็นนัยยะผู้ได้รู้ชารู้เร็วเนี่ผมอบอกลําดับลําดาบไวอนี้พอได้รู้ชัดเจนนี้แล้วจิตใจนี้จะไม่หมุนลงนะไม่มีอะไรมาดึงใจนี่ลงมีกายมันยิ่งเละเท่านั้นดึงลงดึงลงตลอดเวลาพอยิ่งเละคาต่ อ, อไปในขั้นนี้แล้วจิตจะค่อยหมุนขึ้นเป็นลําดับพิจารณา ฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละด้วยอสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้นจิตใจจะละเอียดลงไปละเอียดจนไปแล้วความหมุนตัวขึ้นเรื่อยหมุนขึ้นไปเรื่อยแล้วละเอียดขึ้นได้เรื่อยนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลับมาเกดิดดีก็คือมีการมัิเลอันเดียวดัะนั้นดึงลง มาสู่นรกอเวกีได้เพราะกรรมมันเฉล็ก <c oughs> ทีนี้พอนี้ขาดลงไปแล้วจิตใจจะเบาลงไปเบ า, าลางไปเบาจนกรทั่งเบาหวิวเบาหวิวกำหนดภาพกำหนดภาพซักฟอกตัวเองซักฟอกตัวเองในส่วนที่เป็นมวทินอันละเอียดติดแนบอยู่กับจิตซึ่งอยู่ในขั้นอนาคาเมที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่สิ่งเหล่านี้ ความมนทินเหล่านี้จะค่อยกระจายและหยาดลงไปเรื่อยๆไปด้วยการฝึกซ้อมของเราฝึกซ้อมเราเพราะหยากกดเรื่อยๆจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยอย่างที่ท่านเทียบไว้ในสุทาวา่าข้าชั้นมันนะอวีหาอตปาสุทัสสาสุทัสสีอากติฐานีา่แหละระดับของพระอนาคามี พอได้ระดับเบื้องต้นที่ว่าสอบไล่ได้แล้วหากว่าตายก็จะไปเกิดในเ <c oughs> นี่ยอวิหาแล้วเลื่อนไปอตปัตตาและเยียกเข้าไปก็สุทัศสาและเยียกเข้าไปสุทัศสีงห์และเยียกเข้าไ ป, าาาไปทั้งทั้งที่ยังไม่ตายก็รู้เป็นลำดับและเยียกเข้าไปเต็มแล้วกลับขึ้นอาการิฐานี่เป็นชั้นที่ห้าของสุทาวาทหาชั้น พอจากท่า น, นีีแล้วก็ดิดถึงก้าวเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพระนาคา ม, มีเมื่อสาเร็จเป็นพระนาคา ม, มีแล้วท่านจะไม่กลับมาเลยท่านจะถ้าว่าเติดก็ไปเกิดนาวิหาตปาสุษาวิสีเลื่อยไปแล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมาไปจนกระทั่งทะลุพนิพานไปเลย <c oughs> นี่ภาคปฏิบตัติขอให้พระลุกพระหลานทั้งหลายจำเอาไว้ พิจารณาอย่างที่ว่าวันนี้จำให้ดีด้วยเดีจำไม่ดีภาคปัญญาที่ออกการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เต้องพิจารณาให้เต็มไม่เต็มหน่วยถึงการเวลาพิจารณาเวลาที่จะเข้ามาพักสมาธิมีความสงบคือเพื่อเอากําลังหมุนทางด้านปัญญาเราก็เข้ามาพักสมาธิคือความสงบใจเสีย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 เต็มภูมินี่ท่านเรียกว่าพระอนาคามีเต็มภูมิไปเต็มที่นั่นนะต่างต่าวิหาับปานยังไม่เต็มภูมิแต่ได้ได้ฐานเรียบร้อยแล้วว่าสำเร็จเป็นพระอนาคามีถ้าบรรไดก็ขั้นต้น บันไดของพระาาพระอนาคามีมีถึงห้าขั้นกาเทียบบันไดขั้นหนึ่งอวิหาสองอัตปาสามพุรา 4, ธราสีส่ทุตสีห้ากนิถานี่ลำดับของพร ะ, พระอิณนาคามีที่ได้ในขั้นต้นแล้วแต่ยังไม่สมบุญแบบเหมือนผู้รู้ทำโดยคิปปะปัญญาตามกล่าวเท่านี้เรากล่าวตามธรรมดาของไตยย อยู่กลางๆในของคนเราธรรมดาไม่ได้กล่าวถึงพวกอุคติแต่อยู่วิปปิกันอยู่ซึ่งรวดเร็วพอถึงปั๊บนี่พุ่งเลยอาณาอวิหาตปาที่พุ่งทะลุถึงกันอนาคามีถึงนิพพานเลยนี่เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้นับเข้ามหนี่นี่ส่วนมากนักปฏิบัติของเรามักจะก้าวเดินไปตามนี้เพราะเป็น การบำเพ็ญของผู้ที่อยู่ในถ้ำกลางยากลาบากช้าก็ช้ า, ชาแต่ถึงหน่เป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่รวดเร็วนั้นพอบรรลปุปึงปึงถึงที่สุดเลยนี่เรียกว่าอุคติจันทอยู่ผู้เรียกว่าชิปปาพิญญาผู้รู้ได้เร็วต่างกันอย่างนี้แต่ให้แยกแยกเอานะนี่การพิจารณาทาง <c oughs> น้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องอที่เหลือ กามรลาคานี่หลุนแรงมากหนักมากที่สุดท่วงจิตใจมากที่เดียวไม่ว่าหญิงว่าชายเต็มแต่เพียงไม่พูดถึงกันเรานำมาพูดเฉพาะนักบวชที่เป็นผู้จะเสียสละสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาแก้ไขและแปลงกันจึงการแก้ไขถอดถอนกันจึงรู้สึกว่าอันนี้ยากยากจริงจรงเมื่อเวลาเขา้า ถ, ถึงเข้าขั้นนี้ ที่จะปล่อยวางที่จะสําเร็จเป็นขั้นที่สามคืออนนาคานี้ได้นั้นต้องเป็นนักมวยเรียกว่านักมวยชุนลมุนไปต่อยกันอยู่วงในหมุนติ้วที่อยู่วงในคือสติปัญญาขั้นนี้ขั้นหมุนตัวติ้วที่อยู่กับอัจฉระอัจฉริภังพออันนี้ผ่านได้แล้วก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมา นำโดยที่นำอันนี้แหละมาฝึกมาซ้อมมาฝึกมาซ้อมอยู่โดยสม่าเสมอก็กลายเป็นสติปัญญาอาัตโนมัตินี่เรียกว่าสติปัญญาอาัตโนมัตินี่ยักเิดที่หลังลำดับจากตามมาเกลถถื่อนซึ่งซึ่งฟาดกันอย่างชนมุนุ่มหมายนี้ไปแล้ว พราะจากนั้นก็นเป็นสติปัญญาอัตโนมตัติอันนี้หมุนตัวเป็นเตียวไปเลยเพื่อพรทอนถุกหนึ่งประหนึ่งวนิพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วจากนี้ไปพอถึงขั้นอนาคาแล้วจำเหมือนนะว่ามองเห็นพระนิพานอยู่ข้างหน้าข้างหน้าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วนี่ความเห็นโทษของยิ่งเลททั้งหลายนี้จะเห็นอย่างเต็มใจเต็มใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจความเห็นคุณ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 พอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของตัวแล้วเป็นลาดับลาดา <c oughs> นี่คือสติปัญญาอัตโนมัติทางานแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติทีนี้เรื่องการความภาคความเพียรที่เราจะหนุนหมุนอย่างที่ว่าเพียรพยายามถูทถยกันไปอย่างนี้ไม่มีในวงในในวงนี้วงที่ว่าสติอัตโนมัติ สติปัญญาอัตนมัติมีแต่หมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกเพื่อความพ้นทุกแก้ที่เลืโดยอัตนมัติอยู่ที่ไหนแก้ตลอดแก้ตลอดไม่มีความว่าพักจึงต้องย้อนติดอัตโนมัติสติปัญญาธัตมัติให้เท่าสูงสมาธิถือความสงบไม่เช่นนั้นจับไม่อยู่แต่เลิดเปิดเปิ ด, ปดมันจะเลยเถิดนี่ <c oughs> ท่านก็สอนให้ย้อนเข้ามาถึงจะเป็นการแก้ที่เหลือด้วยความเพลิดินใจก็ตามเมื่อ กำลังบางท่าไม่พอ ม, ม, มันก็เหมือ น, นมีดของเหล่านี้มันไม่คมฟันไปอะไรมันก็ไม่ขาดง่ายๆทีนี้ถอยมาเหมือน ม, นมาบรรับินได้จะเข้าสู่สมาธิหรือนอนพักกลับเนี่ยเมื่อพักหลับแล้วก็เป็นกําลังอันหนึ่งทางธาตุทางขันพักอีกเข้าสู่สมาธิเป็นกําลังอันหนึ่งทางปีตใจแล้วธาตุขันก็ได้กําลังมันหนุนอันนี้อีกนี่ก้าวเดินต่อไปอีกนี่ฟังให้ดีนะครับ มันดาท่านท่างหลายวันนี้เป็นโอกาสกันดีที่พระหลวงตาจะได้สอนพระลูกพระหลานให้เป็นคติเครื่องเตือนใจนําไปปฏิบัติเพื่อก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเขาจะร้อนตามทางศัสนาที่สอนไวน้นี่ไม่คือแมล้าสมัยไป่ไหแล้วให้พิจารณาอย่างที่ว่านี่นี่แหละขั้นสติปัญญาตโนมัติพอจากนี้หมุนเข้าไปละเอียดรอเข้าไปละเอียดรอเข้าไปแล้วก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญา เกียงขัน้นสติปัญญาอตโนมัตินี่ก็ไม่มีเผลอแล้วล่ะเผลอหิดแบบเผลอสติสตางเผลอไม่มีแล้วอพอก้าวเขาสูมา่มาสติปัญญานอกจากไม่เผลอแล้วยังละเอียดรอซึมซาบไปหมดเลยสติปัญญาอตโนมัตินี่ยังยังเป็นคลื่นเป็นคลื่นถ้าทำงานก็เหลือเหมือนเขาฟักลาบยำลาบ ถึงจะยําทียิบขนาดไหนมันก็เป็นคลื่นแห่งการยำลาบอยู่นั่นแหละที่นี้พอก้าวจาก ส, สติปัญญาจธรรมนี่ก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาที่มีราบลื่นไปเลยสื่อมทราบข่ากิเลศก็สื่อมทราบอะไรสื่อมทราบทั้งหมดนี่ไปตามๆกันนี่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาให้มันคลองในหัวใจของเร า, าสิ ทำรรมังวิเจ้าสรบสนร้อนสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่อปู่ว่าจะอธิบัติคือพวกเดาเองนี่ละที่เนี่กว่ามหาสีปัญญานี่การพริญญาสติปัญญาตโนมนัติก็ถือเอาขั้นอนาคานิอารมณ์ของอนาคานิมิตของอนาคานี่ฝึกซ้อมจนจนํานจรจำนาญแล้วกลายเป็นว่างไปหมดนั้นนี่สิงมหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตซึ่งเรามาตั้งฝึกซ้อมนี้หมดไปหมดไปหมดแล้วก็าเวเข า, เเขาสุดท้ายหมด ตั้งขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบต่อไปอย่างนั้นไม่มีไม่มีจะเป็นอะไรที่นี่นะมันจิตมันว่างไปหมดแล้วจากนั้นก็พลิกมันหนักเป็นเองสิ่งที่มีเงื่อนต่อมันนี้เหมือนกับไฟได้เชือ้อเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชือ้อโดยไม่บังคับอันละขอให้มีเชื้อไฟเถอะไฟจะลุกลามไปตามอันนี้ขอให้มีเชือเ้อวิเศษอยู่ที่ตรงไหน ทัศปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟความภาคความเพียรเหมือนกับไฟจมุนเข้าไปพิจารณาชั้นเวทนาสัญญาสร้างขานวิ็นญาณนี่ที่นี่เวทนาก็ก็ถือเวทนาทางตายบ้างถือเวทนาทางจิตส่วนมากจะเป็นเวทนาทางจิตนะทางตายผ่านไปแล้วไม่ค่อยสนใจนี่สัญญาสร้างขานเห็นญาณมากจะมีแต่สุขเวทนาภายในจิตใจ ทุกเวทนามีแต่ว่าน้อยนอยลงไปโดยลำดับสุ ข, ขเวทนานั้นเด่นเด่นนี่ก็ อ, อยู่ในขั้นสมมุติสัส ญ, ญญาสังขารอิญญาณเฉพาะออย่างนี้คือสังขารพอปรุงแพรพอปรุงแพรปรุงมาจากไหนปรุงมาจากใจ ด, ดับไปดับไปไหนมาจากใจสัญญาหมายปั๊บ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 ร้อมเาไว้ตัววิชัยจริงอยู่ในกำแพงเพรา ะ, ะนั้นจึงติดตามเหล่านี้เข้าไปติดตามมานี่เข้าไปเรื่อยฝึกซ้อมกันเรื่อยพอมันเข้าใจเข้าใจหลายครั้งหลายหนเข้าใจเรื่อยๆเข้าไปก็ตามเข้าไปถึงอวิชชาปัจจะยาสร้างข่าลายกลายเป็นปัจจัยการขึ้นมาภายในจิตโยนันนาห น, นัเกี่ยวอริยสัจสี่เป็นเต็มตัวแล้วเข้าไปนั้น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 คือธรรมธาตุถึงมุดหลุดพ้นเนียกว่าถึงธรรมธาตุแล้วที่หายสงสัยว่าจิตตรงนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันแล้วหายสงสัยร้อยเปอร์เซนหรือว่าล้านเปอร์เซนนี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้ทราบผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนอย่ามามัวเกาหมัดหรือว่า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 ก็เป็นจิตยอย่างั้นหละรับความทุกข์ความรมานน้อยหลงน้อยหลงตามอำนาจแาหง่งกรรมของตนที่เบาลงเบาลงแล้วถอยขึ้นมาเมา่เกิดเป็นมนุษย์เป็นจักอะไรไมันก็จิตดวงนี้แหละไปเกิดอยู่ตลอดเวลาตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบามากน้อยเลื่อยไปเลื่อยๆจนมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เราอย่างเรานี่แหละ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 สมมุติทั้งหลายจะไปสุดทิ่นที่ตรงนั้นวิมุติหางขึ้นมาแล้วจิตบริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม้นิดหนึ่งปรากฏเลย <c oughs> จิตดวงที่บริสุทธิ์จิตดวงที่เคยเกิดเคยตายมาเหมือนกับ <c oughs> สัตว์ตั้งหลายโทษแดนโลกธาตุนี้ขาดสะบัดลงไปในขณะที่ <c oughs> จิตตาวิชาขาดลงไปจากใจปิดกรอบวิมุติหลุดพราไม่มี <c oughs> สมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหัน <c> ต <oughs> ท่านจะไม่เคยมีทุกข์ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นภระหันในเวลานั้นแล้วจากนั้นไปเป็นอนันตการตั้งตับตั้งกันเนี่ยว่าเที่ยงท่านไม่เคยมีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรูธาาสร้ธรรมคามัตรฐานรู้คือสังหาริเลตตัวเป็นเล้าเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อย วิเลตมีมากมีน้อยสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยให้รับความลำบากลาบนมากน้อยพอวิเลกนิ่ขาดซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์นิ่ขาดกระดับลงไปจากจิตใจแล้วไม่มีสมมุติในใจเลยแล้วทุกข์ก็ไม่มีวิเลกไม่มีโสความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์กใน ใ, ในใจของพระอรหันต์จึงไม่มีตั้งแต่ขณะท่านตรัสจะรู้แล้วส่วนความทุกข์ทางท่าทางขันร่างกายนี้มีเหมือนกันกับโรคทั่วทวไป เ, เพราะเหตุดเพราะธาตุขันนี้เป็นสมมติมเหมือนกับสมมุติของโลกตั้งหลายเช่นร่างกายของเขาของเราเป็นเหมือนกันเมื่อเป็นฉะนั้นความทุกข์ประจําขันจึงมีเหมือนกันมีเจ็บคล้องปวดซึ่ง ป, ปวดหม้อตอ่อรอนมีหิวมีกระหายเหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงจิตท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหิววนั้นหายนี้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้รู้จะเฉยจิต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 แต่ก่อนธาตุขันนี้เป็นเครื่องมือของที่เหล็กความคิดปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เหล็กบ่งการออกมาบ่งตาออกมาท่านสึงกล่าวว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าลาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสร้างข้าลาปาัญญามีญาณเรื่อย ไ, ยไปเลยมันหนุนใหไปเป็นสังขารบีญญาณนามรูปเรื่อยจนกระทั่งถึงชาตินี่แหละที่นี่ท่านตระหนักว่า เอวเมตัสาเจวราสะดุกขากขั้นตัดสาสมุระโยหโติ mm hmm. เหล่านี้เป็นสมุทรไทยการเกิดตายทั้งนั้นนั่น <c oughs> นี้พอพิจารณาถอนวิชาไปแล้วสังขารก็ดับอวิชามะะอวิชายตาเวบาเสสวีลก า, านิโรธาสร้างขลานี้เลยเรื่อยไปจนกระทั่งนี้โรโโห้ติเหล่านี้เป็น มีมดความดับทุกทั้งนั้นนั่นอวิชชาดับเสียอย่างเดียวเท่านั้นทุกทั้งหลายดับเพราะฉะนั้นสังขารที่ชิดที่ปูว <c oughs> ิญญาณรับทราบในขันตั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องของติด ท, ที่บริสุทธิ์ไปไม่เกิดกิเลสไม่มีกิเลส เ, เพราะขันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนขันนี่เป็นทําให้เกิดเป็นกิเลสทั่วขันจริงๆไม่เป็นกิเลสแต่อวิชชาคุยตัวที่เลสนั่นแหละมันบ่งต า, ามออกมา ใ ห, ให้ให้เป็นเป็นกิเลสเช่นเบชนะสัญญาสังขารเนี่ยมันหลงทั้งนั้นละหลังฐานความคิดความปรุงวิญญาณอะไรัาบซาบอะไรเป็นกิเลสไปเรื่อยๆข้อตัวใหญ่มันอวิชาพาให้เป็นกิเลสนี่มันยึดด้วยถือด้วยในขันทั้งนั้นมันถือว่าเราเป็นของเราเต็มตัว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 ถอยละนี่ตั้งกันอย่างนี้ขันเป็นขันของพระละหาันส่วนขันของของที่เหลืนั้นมันเป็นเราเป็นเขาเปงหมดนี่ให้พากันจัง <c oughs> ด้วยเห็นนี่เองพาระาลารหันท่านจริงไม่มีจิตไม่มีทุกในจิจทั้นทุกในจิตไม่มีเลยตั้งแต่ขนาดท่านาตรัสรู้ทรมีก็คือว่าบรมมาสุขบรมมาสุขนั้นเป็นสุบนอกสมมูิก็เป็นความเที่ยงเหมือนกันนั่น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 แต่แยกออกมาเป็นจงุติให้เราทั้งหลายที่ก้าวกำลังก้าเข้าสูมา่มรรคมิภานหรือมิมุตินั้นให้พากันเข้าใจเอาไว้เท่านั้นแหละ <c oughs> นี่เป็นเรื่องสำคัญจากภาคปฏิบัติมาสุดสิ้นที่ตรงนี้ตรงพิจารณาด้วยกิตตาภาวนาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมาธิปัญญาวิมุติหลุดพ้นเป็นลำดับลำดาที่เหลืก็เป็นนั้นว่ายูด ตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นไปจากใจแล้วพระอรหันต์ท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัวใดไม่มีแล้วท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่าวุธิตังพระมจริยังกับตังกรณียังนั้นเศษกิจพรมจันทร์คือการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญธรรมกับการถอนกิเลสมันก็เกี่ยวโยง ก, กันอยู่นั่นแหละนนะ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 ของพระพุทธเจ้าดีไมด่ดีเราสู้ท่านไม่ได้นะเ <c oughs> พราะเหตุอะไรทั้งๆ ท, ที่ท่านมาเลยภาวนาเพลคัคเกิเลตแต่เหตุจําเป็นที่ท่านจะบําเพ็ญหรือภาวนาอย่างนั้นมีประจําขันของพราหาณ์มีเช่นเกี่ยวข้องกับธาตุกรรขัน <c oughs> เพื่อบรรเทาธาตุขันในอียบทต่ต่างๆยืนเดินยืนนอนยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกนั่งนานก็ทุก เพื่อบรรเทากันให้อยู่ในความพอเหพอดีในระหว่างขันกับกจิตที่คลองกันอยู่นี้จากนั้นก็เข้าสู่สมาธิเพื่อสงบอารมณ์คือขันภายนอกพิจารณาร่างอัจดั้นทมภายในจิตใจเอาอย่างพระพุทธเจา้าแั่ก็ส่องโลกธาตวางเงนเถินะเนี่ยพิจารณาเลงยาดูสตัตว์โลกด้วยจิตที่บริสุทธิแล้วนั้นนี่ พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นเหล้วประหานท่านก็ทำเต็มภูมิของท่านพิจารณาเต็มภูมิเต็มพลังของท่านาาา น, นั่นแหละนี่มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเพื่อบรรเทาขันประเภทที่สองเพื่อพิจารณาเรื่องอัดเรื่องธรรมข้างหลายส่วนพิจารณาท่านเองท่านไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับสัตว์โลกดูสัตว์โลกต่างๆนี่ลทนะท่านเพื่ออยู่เป็นจุกในทิฏฐธรรม คือเวลายังครองขันอยู่ท่านเดินจงผมนั่งสังธิภาวนาเหมือนเหล่านั้นหละในการภาวนาในท่านผู้ที่จิเละแล้วมีสองประเภทดังกล่าวนี้ประเภทที่หนึ่งเพื่อบรรเทาธาตุขันบรรเทศที่สองเพื่อพิจารณาบิดกับธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับ สัตว์โลกทั้งหลายมีความดึกตื่นหนาบางอย่าละเอียดตลอดถึงสัตว์โลกเป็นยังไงยังไงจะรู้ในเวลาท่านพิจารณานี้แจ่มแจ้งขึง้นอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่ธรรม ด, ดาท่านก็รู้จำธรรม ด, ดาถ้าทำพิจารณานั้นก็ยิ่งละเอยียดรอเข้าไปรู้มากเข้าไปโดยลํำดับธรรดา <c oughs> นี่ผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของผู้บําเพ็ญทั้งหลายขอให้พาลูกพ า, ลาหลานตลอดประชาชนลูกหลานทั้งหลายจำเอา การพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลยเพราะล้องตาไม่สงสัยแล้วสิ่งเนี้นถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นวิธีการดําเนินแบบไหนแบบไหนถอดออกมาจากการดําเนินของตัวเองจนกระทั่งรู้เห็นประการใดถอดออกมาหมดจนกระทั่งถึงวิมุติหลุดพ้นคิดมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไปลุดพ้นก็บอกหลุดพ้นเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับ และปุกปิดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลาย <c oughs> ว่ามรคนิพพานไม่ได้อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามเว ล, เวลาเวลานั้นซึ่งเวลานี้สุดในผู้ที่แก่หนิพพานอยู่เมืองอินเดียเราอยู่เมืองไทยนี่ไม่มีหวังแล้วนั่นมันชิดไปอย่างนั้นนะนี่มันม่ชากาลิโกมันเป็นกาลิโก้คือเอาการเอาเวลามา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 เรื่องที่เหล็กลอกรว ง, งนั้นให้บำเพ็ญตัวเองยี่งเละจริงๆมันเกิดอยู่กับใจของเรามันไม่ได้เกิดอยู่กับการนั่นสถานนี่นะมันเกิดอยู่กับใจให้แก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 อย่าเสาะอย่าแสวงหาเรื่องที่เด็กกันหามันเต็มข้วใจของเราอยู่แล้วให้ชำระสาสามออกไปให้เบาๆทาจะได้งอกเลยขึ้นมาใจของเราจะมีความสงบลง่มเย็ดถ้าเป็นผลมากกว่านั้นก็เป็นมหามงคลแจ่ตนด้วยแจกโลกตั้งหลายที่เขาเขาลูชปูาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพุทธทางสนามกามีธรรมังสังทางสนากระามีนี่เป็นมหามงคลแจกเจ้พุทธของเราเพราะ ท่านได้บัพเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมาแจกจ่าย ใ, ให้ประชาชนจัดโลกทั้งหลายได้รับความสุขความเจเลญนี่เปขอให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายนําไปปฏิบัติให้เป็นที่มงคลแก่ตนให้มีความมีดายต่อบาตรต่อกรรมเพราะสิ่งนี้มันเคยเผาผลาญโลกมานานแล้วบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรามานานให้บัพเพิญทางบุญกุศลให้มากด้วยความเป็นผู้มีสิ่งมีธรรมประจํำใจ ผู้ใดมีศีลมีธรรมประจําใจมีฮิริโอตปะสรุปตัวต่อบาปต่อกรรมระมัดระวังตนเสมอสั้งหรณ์ระวัง่ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศาสดาประจําตนศาสดาคืออะไรคือธรรมและบินัยนั่นแหละที่พระรพุทธเจ้าแฝงทานไว้แล้วว่าธรรมแลบินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตาทาคน เมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อไปชนนั้นใครเป็นผู้เขาโลกทำไม่ไหนเทิดทุนทำยัไนไงด้วยการปฏิบัติ ด, ดีไปว่าเจ้าผู้นั้นแหละคือมีสักจดาปกครองไปตลอดเลยผู้ใดไม่มีธรรมมิไ ม, มไม่ไหนแม้หัวลดนลดอย่างพวกพาของเราก็หัวล้นเฉยๆไม่มีใครตาหนิหัว ล, ล้นพานี่เขาตาหนินะ่ะทําไม่ดีไม่ถูก นี่ให้จำเอานะบรรดาพระลูกกานหลานอยากมีศาสดาประจําตนขอให้มีทำมีที่ไหประจําตนจะมีศาสดาประจําเราไปที่ไหนก็ไปกับศาสดาไปกับพระพุเทธเจ้าแล้วจะเจริญ ร, รุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงนตั้งแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควแรแอกตาเวลาและท่าสันที่อ่อนโยเพียงแค่นี้ยิงขอความสวัสดีเป็นมงคลตรงมีก็ มันมาพระลูกหลานนั้งหลายตลอดประชาชนพี่น้องชาวพุทธหลายโดยทั่วกันเถอนพระลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บวยยังมีสายไอยย้พระทําคือทางไว้ให้ลูกล้านได้ตามร้อยบ